ตถทตาความเป็นเช่นนั้นเองในหลักธรรมนิยามตาหรือธรรมนิยามชุดที่หนึ่งคืออิทัปปจยตาปฏิจจสมบปบาทผู้ศึกษาคงสังเกตเห็นว่าพุทธพจน์ที่ตรัสเริ่มต้นเหมือน ก, นกันกับในหลักธรรมนิยามชุดที่เรียกว่าไตรหลักคือมีคำสองคำว่าธรร ม, มัติตตาธรรมนิยามตานำหน้า แต่ตอนลงท้ายแปลกออกไปว่าอิทัพปัจจยตามีคํานําหน้าเพิ่มเข้ามาสามคำคือตถาตาอาวิตถตาอานัญญาตาซึ่งไม่ปรากฏในหลักไตรลักษณ์ข้อความเต็มตรงนี้ว่าอิติโขภิกขเวยาตตระตถา ต, ต, ตาอาวิตถตาอานัญญธตาอิทัพปัจจยตา อยังวุจติภิกขเวปฏิจจสมุปปาโทแปลว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นตถ า, าความเป็นอวิตถ า, าความเป็นอนัญญาถาคืออิทัปปัจจยตาดังกล่าวมานี้แลเรียกว่าปฏิจจสมุปบาตถาตาปแปลว่าความเป็นตถ า, าคือภาวะที่เป็นเช่นนั้นเป็นอยู่คงอยู่อย่างนั้น อวิตตาตาแปลว่าความเป็นอวิตตถาคือภาวะที่ไม่เพี้ยนไม่ผันแปรไปจากที่เป็นอย่างนั้นอนันยตาตาแปลว่าความเป็นอนันยถาคือภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่นที่จริงคำเหล่านี้ก็คือคำเน้นย้ำหรือสัมทับให้หนักแน่นหรือให้ใส่ใจจริงจังนั่นเองแต่บางคำเป็นคำที่กระชับและให้ความรู้สึกสะดุดเด่น ก็มีการยกขึ้นมาเอ่ยอ้างบ่อยจนคุ้นหรือเป็นที่นิยมอย่างในสามคำนี้คำว่าตถตาได้กลายเป็นคำที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างมากหรือได้ยินค่อนข้างบ่อยและเพราะเหตุที่คำนี้พบเฉพาะที่ตรัดไว้กับอิทับปัจจยตาจึงอาจจะทําให้เข้าใจว่าจำเพาะหมายถึงอิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นเพื่อให้มองกว้างออกไปจึงยกพุทธพจน์ต่อไปนี้มาให้ดู ดังนี้ในตถสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสภาวะสี่อย่างนี้เป็นตถาคือเป็นเช่นนั้นหรือจริงแท้เป็นอวิตรถาคือไม่เพียงไปจากที่เป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญถาคือไม่เป็นไปอย่างอื่นสภาวะสี่อย่างเป็นชไหน คือสภาวะที่ว่านี้ทุกข์สภาวะที่ว่านี้ทุกขะสมุทัยสภาวะที่ว่านี้ทุกขะนิโรธสภาวะที่ว่านี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงกระทาการประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่าน้ทุกน้ทุกขสมุ ท, ทยัยนทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเห็นชัดว่าสภาวะที่เป็นตถาอวิตถาอนัญญถาในพุทธพจน์นี้ก็คือสภาวะที่เรียกกันทั่วไปว่าอาริยสัจสี่นั่นเองและคำทั้งสามซึ่งมีคำแปลดังว่าแล้วนั้นก็คือคำเสริมความหมายของคำว่าสัจจะนั่นแหละนอกจากนั้นในคมพีชันอัถกถาดีกาบางทีก็เรียกอริยสัจว่า ตะถะธรรมเช่นเดียวกับที่บางครั้งเรียกว่าสัจธรรมแต่สัจธรรมไม่ใช่หมายถึงอริยสัจเสมอไปคำที่กล่าวถึงอริยสัจส์่โดยใช้คำว่าตถาอาวิตถาอนัญญาถายังมีอีกในพระไตรปิฎกและก็น่ารู้น่าสนใจจะยกมาให้ดูกันบ้างแห่งหนึ่งต่อจากข้างบนนั้นในข้อห45สห้าสัจจกถา กุตกันิกายปฏิสัมพิธามักมีพุทธพ์ว่าทุก์เป็นสัจจะด้วยอัฏฐะอันเป็นตถาคือเป็นเช่นนั้นหรือจริงแท้อย่างไรทุก์มีความหมายว่าเป็นทุกสี่ความหมายอันเป็นตถาคือเป็นเช่นนั้นหรือจริงแท้เป็นอวิตถาคือไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาถาคือไม่เป็นไปอย่างอื่น คือทุกขมีความหมายว่าเป็นการบีบคั้นหนึ่งความหมายว่าเป็นสังคตะหนึ่งความหมายว่าเป็นภาวะเผาร้อนหนึ่งความหมายว่าเป็นความผันแปรกลับกลายหนึ่งสมุทัยเป็นสัจจะด้วยอัถฐอันเป็นตถาอย่างไรสมุทัยมีความหมายว่าเป็นสมุทัยสี่ความหมายอันเป็นตถาเป็นอวิตถาเป็นอนัญญาา คือสมุท Co ัยมีความหมายว่าเป็นที่รวมตัวก่อขึ้นหนึ <a> Celine, studies, al, ja ่งความหมายว่าเป็นเหตุคือเป็นแหล่งที่มาหรือเป็นนิทานหนึ่งความหมายว่าประกบประกอบผูกไว้หนึ่งความหมายว่าหน่วงเหนี่ยวพันผัวหนึ่งนิโรธเป็นสัจจะด้วยอัถะอันเป็นตถาอย่างไรนิโรธมีความหมายว่าเป็นนิโรธสี่ความหมายอันเป็นตถา เป็นอวิตรถาเป็นอนัญญาถาคือความหมายว่าเป็นที่พ้นโล่งเป็นอิสระหนึ่งความหมายว่าเป็นภาวะปลอดสงัดไร้สิ่งรบกวนหนึ่งความหมายว่าเป็นอสังขตะหนึ่งความหมายว่าเป็นอมตะหนึ่งมักเป็นสัจจะด้วยอัฏถะอันเป็นตถาอย่างไรมักมีความหมายว่าเป็นมักสี่ความหมายอันเป็นตถา เป็นอวิตรถ า, าเป็นอนัญญยถาคือความหมายว่าเป็นเครื่องนําออกไปหนึ่งความหมายว่าเป็นเหตุหนึ่งความหมายว่าเป็นการมองเห็นหนึ่งความหมายว่าเป็นอธิปไตยหนึ่งขอจบด้วยข้อสรุปอริยสัจสี่ต่อไปนี้ในข้อ546สี่สัจจกะถาขุตกนิกายปฏิสัมพิธามักมีพุทธพจน์ซึ่งเป็นคำตอบต่อคาถามหลายอย่างพร้อมไปในตัว ว่าสัจจะสมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวโดยอาการเท่าไรสัจจะสมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวโดยอาการสคือโดยอัฏฐะที่เป็นตถาหนึ่งโดยอัฏฐะที่เป็นอนัตตาหนึ่งโดยอัฏฐะที่เป็นสัจจะหนึ่งโดยอัฏฐะ ท, ที่เป็นปฏิเวทหนึ่งสัจจะทั้งสี่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 เหมือนกับคำว่าอนิจจตาก็คือภาวะที่เป็นอนิจจาทุกขตาก็คือภาวะที่เป็นทุกข์ขาอนนัตตาก็คือภาวะที่เป็นอนัตตาตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสให้สังเกตว่าคำศัพทธรรมะเดิมในภาษาบาลีนั้นท่านมีหลักภาษาที่มักช่วยให้แยกความหมายไว้ค่อนข้างชัดเจนดีแต่เวลานามาใช้ในภาษาไทยบางทีเราใช้ปนเปนกัน และบางทีก็ทำให้เกิดความสับสนในการศึกษาข้อที่ให้สังเกตในที่นี้ก็คือตานี่แหละจะเห็นว่าคำศัพท์ในจำพวกนิยามนี้มีตาต่อท้ายบ่อยๆที่ว่าควรสังเกตไว้ก็เช่นคำว่าธรรมนิยามตากับคำว่าธรรมนิยามตัวหลักแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช้คำว่าธรรมนิยามตาซึ่งมีความหมายว่าเป็นภาวะ มีตาต่อท้ายนี่แหละจึงมีความหมายว่าเป็นภาวะลักษณะอาการหรือความเป็นไปของสภาวธรรมที่เป็นธรรมนิยามส่วนธรรมนิยามเป็นคำที่นิยมใช้กันในคำพีชันอัตถกถาและดีกาเป็นต้นมาซึ่งใช้อย่างหลวมสักหน่อยหมายถึงสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยนั้นๆในปฏิจจสมุป บ, บาทก็ได้หมายถึงธรรมนิยามตาที่เป็นภาวะเป็นลักษณะ หรือความเป็นไปของสภาวธรรมเหล่านั้นก็ได้ธรรมัติตตาคือภาวะลักษณะหรือความเป็นไปของสภาวธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยส่วนธรรมัติติหรือธรร ม, มัิติหมายถึงภาวะอย่างนั้นก็ได้แต่มักหมายถึงตัวสภาวธรรมนั้นๆเองที่เป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นไปตามเหตุปัจจัยอานิจจตาทุกขตาอนัตตา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 ไม่ใช่เป็นองค์ธรรมไม่ใช่เป็นตัวสภาวะธรรมนั้นเองดังนั้นธรรมนิยามตาที่ใช้กันสบายๆว่าธรรมนิยามนั้นธรรมนิียามตารวมทั้งอิทัปปัจจยตาตัณตาอนิจจตาอนัตตาจึงไม่ใช่เป็นเบญจขันไม่ใช่เป็นนิพพานไม่ใช่เป็นสังขารไม่ใช่เป็นสังคตธรรม ไม่ใช่เป็นอสังคตธรรมเป็นต้น